ท่านพวกท่านจงนั่งอยู่ที่นี้เท่านั้นดังนี้เห็นนะบอกบริวารไม่ต้องไปเด็กเดี๋ยวไปเหยียบสถานที่ท่านเดี๋ยวท่านจะกโกรธอีกเนวะจะทําให้พระอาหารกโกรธเข้าไงเสร็จแล้วพร ะ, ะราชกุมารก็ลงจากคอช้างด้วยพระองค์เดียวเท่านั้นเสด็จไปสู่เสนาสนะทรงเห็นรอยเท้าในโอกาสที่กวาดดีแล้วตามข้อวัดพระองค์ก็มีใจเลื่อมใส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 นนะก็คือไปเดินที่จงกรมของพระนั่นแหละกระทําให้ห่างไกลาจากวิตกอันหนาแน่นคืออากูสนวิตกมีกามวิตกเป็นต้นแล้วก็ประทับนั่งบนแผ่นศิลาพระองค์ก็เกิดสมาธิเนี่ย น, นะก็จริงๆก็ด้วยอุปนิสัยที่เจริญมาเป็นอย่างดีพร้อมแล้วก็เสด็จเข้าสู่บนนาารรณาศาลาก็เจริญวิปัสนาเห็นแจ้งคือเจริญวิปัสนาบรรลุปัจเจกสมโพธิญาณ น, นะบรรลุพระประเจกแล้ว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 มันสัตว์สีเท้าที่อยู่ในป่าที่ป่าที่ไม่มีใครเกลื่อนกลลเนีนนะอยู่อย่างสบายเหมือนกันบทว่าอภันโทความว่าที่บุคคลไม่ผูกแล้วด้วยวัตถุทั้งหลายมีเครื่องผูกคื อ, ช อ, คอเชือกเป็นต้นไม่เหมือนแบบพวกสัตว์เลี้ยงที่ถูกล่ามเอาไว้ใช่ไหมสัตว์เลี้ยงที่ถูกล่ามเอาไว้จะไปไหนก็ไปไม่ได้ตามใจเนื้อในป่าที่ไม่ถูกล่ามจะไปไหนก็ไปได้ตามสะดวกฉันใดเหมือนกัน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 คือเนื้อที่ที่ที่มันอยู่ที่ที่ปลอดภัยจริงๆนะจะอยู่อย่างสบายฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแหลสงัดจากกรรมสงัดจากอุสมบธรรมทั้งหลายบรรลุปถมมชามมีวิตกวิจารณปีติสุกเกิดจากวิเวกอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่ากระทำมานให้มืดทำให้ไม่มีเท้า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 แต่ถ้าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยนะเห็นอะไรก็ผูกตัวเองได้หมดเลยนะเห็นอะไรก็นะเออนี่นะแหมถ้าเรามีเนื้อสักฝูงไว้เลี้ยงก็เป็นยังไงคิดไปนั่นนะนะในจูลนิเทศภาษาเรีบุตรอธิบายไว้ว่าเนื้อเนื้อโดยปกตินี่มีอยู่สองชนิดก็คือเนื้อทรายกับเนื้อสมันคำว่ามรึกมรึกคือเนื้อเนี่ยหมายถึงเนื้อทายกับเนื้อสมันอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื้อทรายหรือเนื้อสมันที่อยู่อาศัยในปา่าปราศจากการระแวงไัยเดินไปปราศจากการระแวงไัยยืนอยู่ปราศจากระแวงไัยนั่งอยู่ปราศจากการระแวงไัยนอนอยู่คือเป็นคนอยู่อยู่แบบสบายโดยที่ไม่ต้องเนื่องด้วยอะไรนะบางคนนี่มันรัดตัวจนต้องรี บ, ร บ, ร บ, ร บ, รบแต่นี้สบายเนี่ยนะ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเนื้อที่อาศัยป่าเที่ยวไปในป่าใหญ่ปราศจากความรังเกียจคือไม่มีอะไรที่ต้องหวาดระแวงกินแหนงแคลงใจด้วยเสือด้วยภัยด้วยในพรานเป็นต้นเนี่ยนะเดินไปก็ปราศจากความรังเกียจปราศจากความระแวงยืนปราศจากความระแวงข้อนั้นเพราะเหตุใดดูก่อนพิสูุทั้งหลายเพราะเนื้อนั้นไม่ได้ไปในทางของในพรานฉันใด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 ทำมารให้เป็นผู้ไม่เห็นทางไปสู่สถานที่ที่มารผู้มีบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่มนสิการถึงนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงบรรลุอากาศสานัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมีได้นี้ก็ไปสู่สถานที่มารมองไม่เห็น อีกประการหนึ่งพิโสล่วงอากาสารัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนาสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงแล้วบรรลุอากินจัญญาัตนะฌานด้วยมนาสิการว่าอะไรอะไรน้อยหนึ่งก็ไม่ได้มีล่วงวิญญาณล่วงอากินจัญญาัตนะฌานโดยประการทั้งปวงแล้วบรรลุเนวสัญญานาสัญญาัตนะฌาน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 ก็เทียวกว่าเป็นเสรีจากตันหามานะทิฏฐิเสรีจากบาปอากุศลเข้าฌานใดๆก็เข้าได้ตามความปรารถนาจะเข้านานเท่าไหร่ก็ไม่ต้องหวาดระแวงอะไรอันคำว่าวินยูคือผู้มีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มียามมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่านรชนนรชนก็คือส ok ัตมนก ปสชนบุคคลชีวชนธาตุชนชันตุชนอินทคูชนอะง้นเรียกว่ามนุษะ์คำว่าเสรีเนี่ยนะเสรีนี่แนะปลว่าอะไรผู้ที่เสรีชนไม่ติดไม่ค่้องไม่เนื่องด้วยอะไรทั้งนั้นะนะเรียกว่าเสรีเสรีนี่มีสองอย่างคือธรรมะเสรีกับบุคคลเสรี ธรรมะเสรีคืออะไรธรรมะเสรีคือธรรมะที่ไม่ถูกฉาบทาด้วยตัณหามานะทิฏฐิบาปอะคุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าธรรมะเสรีก็คือสติประธานสี่สัมมาประธานสี่อิทธิบาสีอินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมาร์ตันประกอบไปด้วยองค์แดนี้เรียกว่าธรรมะที่เป็นเสรีไม่ขึ้นตรงต่อตัณหามานะและทิฏฐิ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 คืนนอนรชนที่เป็นวินยูชนเมื่อเห็นเมื่อตรวจดูเพ่งดูพิจารณาดูถึงโพธิปัจจะธรรมอันถึงความเสรีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านรชนที่เป็นวินยูเห็นธรรมะอันถึงความเป็นเสรีพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอเลศฉะนั้นก็เที่ยวไปด้วยอรยิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สงบจากราคะโทสะโมหะบาปอากุศลทั้งหมดโดยประการทั้งปวง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 ก็สามารถที่จะบรรลุตอนเนี่ยเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าก็บรรลุได้ฉะนั้นถ้าไม่บรรลุในสมัยพุทธกาลเอ่อเป็นพระประเจกอย่างนี้ถ้าไม่ได้บรรลุแบบนี้เป็นพุทธสาวกองค์ใดองค์หนึ่งก็บรรลุได้เร็วพลันกันนะ